ธรรมชาดกแผ่นที่12ลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่6ทธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าพระสาลีบุตรผู้ไม่มีความโกรธพ่อนลกูกหลานเลย กันพูดอะไรจะไปหาเพื่อนในโรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นนั่นนี่นะใหญ่ไปจากน้องบัวลำพูเนี่ยตะก่อก็เป็นรองผออยู่ศูนย์อุดรของเราแล้วก็ย้ายเป็นผอน้องบัวลําพูแล้วก็กระโดดขึ้นไปเป็นผอโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเน่ยเป็นทางเลือกหนึ่งเื่นกันน่ะ ขั้นเขาไปโลงพยาบาลอุศูนอุดรแล้วบ่อได้ไปสีนักการีนเข่าบ่อได้เนี่ยมั่นต้องเข่าไปเนี่ยแหละโรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นเน่ะเพราะนั่นเมือ่อใดลงพอจะได้มอบเครื่องมือแพทย์หนเพิ่นเครื่องหนึ่งแล้วลูกหลานนะลงพอจะได้มอบเครื่องมือตัวหนึ่งนะ้วมื่อ น, นี่นะล่าค่าทั้งพนน่ะตั้งล้านเจ็ดพนักเมื่อ น, นี่นะพวกสุ่เจ้าต้องหามหาเงินมาสอยลงพอนะ โอ้ลืมโรงพยาบาลน้องบัวลําพูไอ้ท้องบวัวท้องพูเราให้เครื่องกระตุ้นหัวใจห้ 0,000 แล้วก็เครื่องทำความสะอาดเครื่องมืออีก2อ0 0 0 0ห้าโอ้ลืมพูดไปเนี่ยนี่แหละเห็นมั้ยแต่หลวงพ่อวอลเรื่องคิงอือแพทย์ขามาเนอะลูหลวงพ่อบริสันต์จังหันแต่แทนละมือนี่ยว่าวันนี้เป็นวันเมื่อวา น, น, เ, ป น, วนเป็นวันเสริมพระชนพันษา วันที่ห้ธันวาห้าเจวันนี้เป็นวันที่หกธันวาห้าเจ็ดเป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งเพราะนั้นวันนี้เป็นวันพระใหญ่หลวงพ่อให้าทายกเป็นผู้นํากล่าวาคําสมาทานศีลศีลห น, นะวันนี้นะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ กี่วันแนละ้วพวกเราไม่ได้รักษาศีลมาเนี่ยนานนะนะเพราะนั้นวันนี้ควรจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์24ชั่วโมงนะหลวงพ่อวานะเอาไหว้พระสมท า, านศีลวันนี้ออกอากาศสถานีวิทยุเสียงธรรมของพวกเราหนะาวันนี้พวกเราจะทดลองออกสถานีวิทยุมวานี้ก็ออก แต่เมื่อเช้านี่ก็จะออกสถานีวิทยุร้อยเจ็ดจาเมกะเฮิรตจากวัดป่านาคำน้อยอของพวกเราเริ่มทำสาธารพิธีเป็นวันพระขึ้น15บห้าำเดือนหนึ่งเพราะนั้นให้พวกเราวันนี้พวกเราจะออกนานทีนะพวกเราจะได้ออกวิทยุเพราะว่าถ้าเราไม่ออกจะเลย เดี๋ยวสายมันจะเกิดสนิมอมันจะใช้ไม่ได้ก็เลยนานๆทีพวกเราจะออกวิทยุครั้งหนึ่งบัด น, นี้ออกนะัะน่ะพระท่านจะให้ออกวิทยุในท้องถิ่นของพวกเราแต่ออกไม่ไกลหรอกออกในในละแวกนี่แหละแต่ไกลขนาดไหนหลวงพ่อไม่ทราบเหมือนกันนะใครได้ยินถึงไหนก็ถึงนั่นแหละสถานีวิทยุนะเอาไหว้นำไหว้พระสมาทานศิล อิมินาสกาเลนะาทาังพุธังอภิปุชยามาต่อ น, นี้ไปตั้งใจสมาทานศีลเมื่อวานเป็นวันที่ห้าธันวาคมพุทธศักราช2557้าห้าสบเจ็ดวันนี้เป็นวันที่หก คันวาคมพุทธศักราช2557วันนี้เป็นเมื่อวานเป็นวนัน <c oughs> พ่อแห่งชาติเป็นวันเสริมพระชนพรรษาประบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกเราเมื่อวานได้ทำกิจกรรมตอนเช้าก็ได้ทำบุญตักบาทแล้วก็ได้สมาทานศีลทุกคน รักษาศีลทำดีเพื่อพ่อวันพ่อแห่งชาติแล้วก็ได้ฟังสมโมทฐนิยกาถาของหลวงพ่อเกี่ยวปรารพเกี่ยวกับงานวันพ่อเรื่องวันวันพ่อแห่งชาติแต่เมื่อคืนตอนเย็นพวกเราก็ได้ทํากิจกรรมไหว้พระแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นการถวายเป็นพระฤาษุคุณลนพระบติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ให้มีความผาสุขเจริญร่มเย็นเป็นสุขเป็นร่มโพ ร, ร่มโพ ร, ร่มพัดไซของลูกของหลานตลอดนานเท่านานแต่วันนี้เป็นสืบเนื่องมาแต่เมื่อวานเป็นวันพระพวกเราก็ควรจะสมาทานศีลต่ออีกสักวันหนึ่ง เพราะว่าเป็นวันเดือนหนึ่งแผ่นวันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งเหมือนกันเพราะเป็นพระวันพระวันพระคํานี้นะ่ะเป็นมาจากครั้งพุทธกาลครั้งพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมาอยู่ที่วัดป่าเวลุวัน พระเจ้าพิมพิสารบอกศาสนาอื่นเขายังมีวันวันหนึ่งเป็นวันรวมกันที่มาประชุมกันแต่พระพุทธศาสนาเนี่ยยังไม่มีเพราะนั้นขอเป็นวัน8ดค่าสิบห้าค่ำจะได้ไหมจะได้หรือเปล่าน้อพระพุทธเจ้าข้านะ่ยลักษณะอย่างนั้นแหละคือพระเจ้าพิมพิสารท่านเข้าไปกราบทูลขอจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็อนุมัติตามอย่างพะนั้นจึงมีวันพระแปดําสิบห้าคำมาในครั้งพุพทธกาลโน่นหนักจนมาถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นพวกเราพุทธศาสนิกชนทุกท่าน8คดคำสิบหําคำควรจะสํานึกไว้ในใจว่าข้าเป็นพุทธศาสนิกชนควรจะทําคุณงามความดีอันไหนบ้าง ถ้ารักษาสินข้อไหนได้ได้เราก็ควรจะรักษาสินข้อนั้นก่อนก็ได้ห้าข้อนะเอาถ้าข้าพเจ้าจะงดเว้ น, นไม่ฆ่าสัตว์ในวันนี้ถึงจะเห็นจุงเห็นหมดเห็นอะไรก็ตามข้าพเจ้าจะงดเออข้าพเจ้ารักษาสินข้อหนึ่งฮะต่อไปก็มีหนึ่งก็มีสองมีสามมีสี่มีห้าจากนั้นก็บริบูรณ์เพราะนั้น พวกเราพุทธศาสนิกชนถ้าไม่ใส่ใจซะเลยวันไหนก็วันเก่าวันเก่าก็วันไหนไม่มีความสําคัญไม่มีไม่มีการสํานึกนึกคิดเลยที่จะประกอบคุณงามความดีผลที่สุดก็ห่างเหินไปเรื่อยๆวันไหนก็เป็นวันที่ไม่สําคัญเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะว่าวันสําคัญนี่คือวันอะไรฮะ สำคัญแต่วันของตัวเองก็ไม่ได้นะพอวันของตัวเองแล้วนั้นเลี้ยงเหล่าเลี้ยงยาไปเรื่อยทั้งที่จะประกอบคุณงามความดีก็เอาสิ่งที่มันเลวๆเสียหายเข้ามาในชีวิตของตัวเองอีกต่างหากนะันนแปลว่าใช้ชีวิตไม่เกิดประโยชน์ถ้าเขาก็ว่าเขากว่าใช้ชีวิตเกิดประโยชน์แต่ปลาดแต่ปลาดทั้งหลายเขาว่าใช้ชีวิตไม่เกิดประโยชน์นะ แต่คนทั้งหลายที่ไม่ได้คิดไกลกะว่าใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแต่ตามไม่จริงคุ้มค่าจุดนี้คือจุดไหนอะไรพวกเราต้องมาทบทวนดูนะเราจะใช้ใช้ความคิดพาระชนหรือความคิดของปลดัดถ้าหาว่าไม่ไปตามแนวแถวของของพระพุทธเจ้าแล้วกะว่าภาระชนทั้งหมดนะ ถ้าเขาไปตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแล้วเนะี่ยคือบัณฑิตนักปลาดนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้เดินตามแนวแถวของบัณฑิตนักปลดัดคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเลิศประเสริฐนะถาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาทานศินนะโมตัสสะปะกวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีเลนาเนปูติงยันติตัสมาสีลังวิโสธาเยสทในช่วงนี้หลวงพ่ออนุมัติให้ในช่างในช่างรถไฟคณะบริษัทเสาหลักจากกรุงเทพมาต่อปีศาลาข้างในของเรา ออกทั้งสี่ทิศสีด้านคงจะใช้เวลานา น, านพอสมควรแต่ก็ทางบริษัทเขาบอกว่าจะไม่ให้ใช้เวลานา น, านจะพยายามรีบเร่งทีบเร่งทำให้เสร็จทำทางสังหลังคาสล า, าแต่เมื่อเสร็จแล้วก็คงจะมีการปูพื้นออกไปขยับออกไปอีกแล้วก็คงจะปรับปุงข้างล่างสล า, าข้างในให้กว้างขวางขึ้น เพราะเหตุไรหลวงพ่อกับพูดกับทางในช่างบอกว่าหลวงพ่อเ ด, เดี๋ยวนี้อายุเจดสิบปีแล้วไม่มีโอกาสที่จะหนุ่มน้อยไปข้างหน้าถ้าหลวงพ่อปีนขึ้นบันไดทั้งหมดสิห้าขั้นนะบันไดที่บันไดทางหลวงพ่อขึ้นขึ้นไปศ า, าลาหลวงพ่อมองปีนี้รู้สึกว่าบันไดยาวผิดปกตินะ ถ้าว่าปีต่อไปก็คงจะสูงขึ้นผิดปกติมากกว่าปีนี้นะเพราะนั้นหลวงพ่อมองดูแล้วไม่ไหวจึงให้ปรับปรุงแก้ไขให้ปรับปรุงข้างล่างให้ออกมาฉันข้างล่างต่อมาก็จะคงจะเดินเข้าไปได้ง่ายไม่ต้องขึ้นบันไดต่อไปก็คงจะนั่งรถเข็นนั่นลูกหลานนะอันนั้ น, นคือชีวิตของหลวงพ่อหลวงพ่อมองไปแล้วไม่มีจะน้อยหนุ่มไปข้างหน้า คนนั้นหลวงพ่อจะเหออนุมัติให้สร้างให้ทำต่อปีกศาลาข้างในแต่เมื่อใช้เมื่อกำลังก่อสร้างอยู่ข้างในพวกเราก็คงจะมาฉันศาลาข้างนอกวันนี้แหละเพราะวันพุ่งนี้นะตามที่ในช่างเขาแนะ บ, บอกมาบอกว่าวันที่6วั น, วนที่6ก็คือวันนี้แหละก็จะมาเริ่มทำงานแล้วละ่ะเพราะนั้น ถามว่าเขามาตามที่กําหนดพวกเรากคงจะได้ออกมาฉันข้างนอกนะออกมาฉันที่นี่ละนี่แหละทําไมหลวงพ่อจึงอนุมัติอนุญาตให้เขาทําศาลาดูๆแล้วก็ยังใหม่อยู่ทําไมนี่แหละพอหลวงพ่อมองดูแล้วหลวงพ่อขึ้นสล า, าไม่ไหวนะลูกหลานเพราะนั้นหลวงพ่อจะจึงได้ออกมาฉันข้างล่างแต่เขาก็คิดหลายแง่มุมเหมือนกัน บอกว่าน่าจะทำลิฟดีไหมหลวงพ่อขึ้นไปง่ายงายแต่หลวงพ่อมันหลายแนวแล้วเกินกว่าจะเอารถเข็นเข้าไปในลิปอีกพอหลวงพ่อเดินเดินเข้าไปยังไงอีกเหมือนกันน่ะมันหลายเรื่องหลายแถวลูกหลานได้ไหมพอหลวงหลวงพ่อเห็นคนอื่นเห็นหลวงตาหลวงตะกรอนหลวงตามหาบัวท่านเข้ ม, แ ข, มแข็งยิ่งกว่าอะไรใช่ไหมใครจะมาใกล้นะท่านจะฟุดฟิดทัาจะดุทันที แต่พอต่อมาแล้หลันท่านถึงจะเข้มแข็งขนาดไหนของมดสภาพหลวงพ่อก็คงจะไม่ไม่แพ้ท่านคงจะเดินตามหลังท่านไปเพราะนั้นหลวงพ่อที่เห็นว่าอันไหนที่จะทำให้ลูกหลานอึดดัดหลวงพ่อเลยคิดคิดล่ดดวงหน้าไว้ก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เป็นไรยังขึ้นได้อยู่แต่คิดว่าอีกไม่นานฮะอันนี้แหละคือหลวงพ่อจะได้ต่อปีก ศาลาทั้งสี่ทิศที่ข้างใน <c oughs> แล้วก็วันนี้เป็นวันหนึ่งที่หลวงพ่อจะได้ปารบให้กับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานที่เป็นสิทธินุสิตและว่าพูดที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบเพราะว่าจตุปัจจัยที่ผ่านเข้ามาในวัดของเราก็ไม่ใช่ของหลวงพ่อองค์เดียวถ้าหลวงพ่ออยู่องเดียวคณะสัตธาญาติโยมมาโอยหลวงพ่ออยู่องเดียว ถวายเพียงแค่นี้ก็พอละละนะแต่ในหลวงพ่ออยู่มีพระตั้งหลายองค์วันนี้ก็มีทั้งย0สบแต่องค์ที่ไปเที่ยวอยู่ก็มียังไม่กลับมายี่สิกว่าองค์เกือบ30องค์ในพรรษาก็ 40-50 บห้าองค์ที่มาอยู่กับหลวงพ่อเพราะนั้นชตาญาติโยมถวายจะตกปัจจัยเขาก็ต้องเผื่ององค์นั้นเผื่ององค์นี้ เพื่อค่าน้าําค่าไฟค่าอะไรตัวมิอะไรพาหอาหารค่าปัจใจสี่ค่าเก็บไขได้ป่วยของพระสงฆ์สัมมาเนรที่อยู่ในวัดนี้เขาก็เผื่อหลายองค์นั่นเพื่อเผื่อหลายองค์เจตุปัจจัยก็มากกว่ า, มากก ว, ามากกว่าที่ที่ตั้งใจที่หลวงพ่อองค์เดียวนะเพราะฉะนั้นหลบข้อได้เจตุปัจจัยมาจะว่าหลเป็นปัจจัยของหลวงพ่อทีเดียวก็ไม่ใช่เท่นี่ แม่มันก็ต้องเป็นของพระของเนนของจัตตาญาติโยมด้วยเพราะฉะนั้นมีคนถวายต่างกลมัมต่างวาระที่ได้จตุปัจจัยมาหลวงพ่อก็เก็บรวบรวมออกไว้เสร็จแล้วหลวงพ่อก็ได้ช่วยสาธารณประโยชน์ช่วยวัดบ้างช่วยโรงเรียนบ้างช่วยวัดก็เนี่ยปีนี้ก็ยังคิดอยู่แต่ละปีหลวงพ่อก็ช่วยวัด ทำถนนบ้างทำศาลาบ้างทำที่พักพาอาศัยของพระสงฆ์บ้างสิ่งนี้ที่เกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสานาก็พร้อมการหลวงพ่อก็ให้โรงเรียนเรวัดสาธารณประโยชน์ที่เข้ามาขอหลวงพ่อก็ได้แบ่งสรรปันส่วนให้อันนี้คือจตุปัจจัยของวัดแต่พร้อมกันก็ได้ให้โรงพยาบาลโรงพยาบาล ปีสองปีมันได้รู้สึกว่าจะทุ่มไปในทางโรงพยาบาลมากกว่าโรงเรียนแต่ก่อนหน้านี้ให้โรงเรียนมากกว่าแต่ปีนี้สองปีมันได้ให้โรงพยาบาลมากกว่าถ้าหลวงพ่อจะบรรยายว่าให้โรงพยาบาลไหนบ้างหลวงพ่อก็คงจะไม่ได้ฉันจังหันละวันนี้เพราะนั้นหลวงพ่อจะพูดให้ฟังแต่เฉพาะใกล้ๆเนี่ยก็คือได้ช่วยโรงพยาบาลตึกนี้ไฟ โรงพยาบาลศูนย์อุดรน่ยแต่งบไว้ประมาณประมาณสองล้านนะแต่หลวพ่อจ่ายไปแล้วล้านเจ็ดนะศรัทาญาติโยมลูกหลานและก็พร้อมกันแต่มีผู้ถวายหลวงพ่ออีกหลวงพ่อก็ไม่ได้มองข้ามถวายเจตุปจัจจัย ท, ทั้งทั้งทหารอากาศหลวงพ่อก็ซื้อรถแอมบูลานให้กับโรงพยาบาลศูนย์อุดร อ, อีกคันหนึ่งล้านเนะและก็เมื่อไม่นานมานี้โรงพยาบาลศรีนครินเข้ามา ขอเครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูงเหมือนกับวันนี้แหละลุงพ่อกระจายไปล้านเจ็ดจ่ายไปแล้วนะแต่เมื่อไม่นานหลังไม้อีกนะวันที่สมธันวาห้าเจ็ดเนะี่ยโรงพยาบาลชุมแพจังหวัดขอนแก่นขอเครื่องมือแพทย์นะบริษัทอะไรจอนสันแอนจอนสันไทยแลนด์จำกัดให้เขาา่าเครื่องผ่าตัดเหมือนกัน ผ พ, พาตัดคอพอกพาตัดด้วยความที่สูงเหมือนกันแต่คงจะคนคนละบริษัทที่พวกเราจะที่ที่มาในวันนี้นะ อ, อันนี้หลวงพ่อก็รับไว้วันตั้งแต่วันที่สามวันที่สามธันวาห้าเจ็ดหลวงพ่อก็ยังไม่ได้จ่ายนะเพราะคอยคอยวันที่หกอยู่วันนี้โรงพยาบาลศรีโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นท่านพ่ออและคณะแพทย์ จะนําเครื่องมือมาสาธิตแล้วก็บริษัทก็คงจะมาเซ็นสัญญาแล้วก็คงจะคงจะจ่ายเงินเอาเครื่องมือมาแล้วนะเพราะเคยตกลงกันนานแล้วนะเอามาใช้ทดลองดูแล้วนะข่าวนี้ก็คงจะได้จ่ายจะตุก ป, ปั จ, จัยเพราะนั้นคงพ่อเขาคงจะได้จ่ายพร้อมกันทั้งโรงพยาบาลชุมแพและโรงพยาบาลศรีนครินโรงพยาบาล ศูนย์ขอนแก่นศูนย์คอนแก่นชุมแพคงจะได้จ่ายเจตุปัจจัยพร้อมกันชุมแพเนี่ยล้านหนะลา 6, 000, ้านหแสนทุนนะแต่โรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นเนี่ยล้านเจนะ็ดล้านเจ็ดแสนเพราะฉะนั้นนี่แหละเจะตุปัจจัยที่หลวงพ่อได้นะได้มานะเก็บเป็นก้อนขึ้นมาเนะะี่ะให้ช่วยโรงพยาบาลช่วยช่วยโรงพยาบาลช่วยใคร ช่วยใครช่วยพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่ถวายเจตุปัจจัยมานั่นแหละผู้ที่ถวายเจตุปัจจัยเข้ามามากน้อยหลวงพ่อก็เก็บเอาเป็นกลุ่มก้อนเอาไว้ฝากธนาคาราไวน้นี่นายธนาคารก็อยุดข้างๆหลวงพ่อเนี่ยที่รับเจตุปัจจัยเข้าไปฝากฝากแล้วนั่นะมีก้อนขึ้นมาแล้อเออพอที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมอะไรได้บ้าง หลวงพ่อก็ได้มอบ เ, อเมื่อมีอะไรกันเนี่ยบอกกับานายธนาคารให้จัดการาตามที่มีความจําเป็นในเรื่องนั้นๆแต่หลวงพ่อมาคิดมาพิจารณาดูหลวงพ่ออาจจะเป็นคิดสุดต่งส่วนหนึ่งก็ได้นะหลวงพ่อว่าเครื่องมือแพทย์ทั้งหลายแหล่จาเป็นจริงแต่น้อยมากผู้ที่จะ ทำบุญหรือว่าเสียสละเรื่องเครื่องมือแพทย์เนี่ยโดยมากจะทำอย่างอื่นสงสงเคราะห์ อ, อย่างอื่นทำไมเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อหมายพิจรารณาดูแล้วว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยมันเป็นมันเป็นเครื่องมือที่ว่าปิดทองก้นพระเปิดทองฐานไม่ใช่ฐานพระนะฐานก้นพระที่พระนั่งอีกต่างหากพระพุทธรูปนั่งนะปิดปิดฐานก้นพระ ไม่ใช่ปิดทองหลังพระนะถ้าทองหลังพระเพอเพอรวันหนึ่งก็คงจะไปเห็นอันนี้คงจะเป็นปิดทองที่ลึกลับถ้าว่าเราทําประโยชน์ทั้งโรงเรียนอย่างนี้หรือว่าตึกนี้ไฟอย่างนี้หรืออะไรก็ตามก็จะต้องปิดประกาศหรือว่าแอมบอร์เรอย่างนี้หลวงพ่อก็ได้ติดประกาศด้วยนี่หลวงพ่อหรือว่าใครมีชื่อในติดในนั้น โรงพยาบาลโรงเรียนก็มีชื่อตระกูลหรือนามสกุลหรือหมู่คณะที่ร่วมกันสร้างแต่เครื่องมือแพทย์เนี่ยโดยมากซื้อเสร็จแล้วเนี่ยท่านหลวงพ่อพูดวันนี้แล้วก็จบในวันนี้ตนเองก็ไม่มีใครพูดอีกต่อไปแล้วก็พร้อมกันถึงจะติดชื่อไว้ในเครื่องมือแพทย์ก็เถอะไอ้นคนที่จะเข้าไปผ่าตัดนั่นก็สลบสลายพอแรงแล้ว เข้าไปในห้องผ่าตัดเนอะ่อตอนนี้ห้องผ่าตัดเสร็จแล้วแพทย์หมอจะไปบรรยายให้ฟังคนไวยฟังก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไปพูดให้ฟังว่าเครื่องมือแพทย์ตอนนี้เป็นของหลวงพ่อเอ็นซื้อให้นะก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นเครื่องมือแพทย์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าจิตใจไม่สูงจริงจิตใจไม่มีศรัทธาจริงจิตใจไม่มองไกลจริงหลวงพ่อว่าผูดที่จะให้เครื่องมือแพทย์เนี่ย ยากแต่ตามให้จริงคุณค่ามหาศานเพราะอะไรเพราะช่วยชีวิตของคู่คนมากต่อมากอย่างเครื่องมือแพทย์ที่หลวงพ่อให้กับโรงพยาบาลศูนย์ค้อแก่นศูนย์อุดร อ, อย่างศูนย์อุดรโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งศูนย์อุดรเครื่องมือที่สองกล้องโอลิมปัสห า, มาเมล็ดในระยะแรกทุกวันนี้กันเนี่ยยังใช้อยู่ยังเกิดประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชนตะกรอนหน้านี้ไม่มีถามว่าไม่มีในโรงพยาบาลศูนย์้อนแก่นไอ้นศูนย์อุดรโรงพยาบาลศูนย์อุดรไม่มีถ้าใครจะไปผ่ า, าจะไปสองกล้องเีว่าปวดท้องเนี่ยกนุ่นไปบำรงราชไปทางโรงพยาบาลกรุงเทพนะทั่นที่ราคาไปสองครั้งหนึ่งก็ประมาณ 60,000 ่นหนี่แหละ อันนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็อื้น่าจะทำบ้านน่าจะเกิดประโยชน์นะแต่หลวงพ่อก็ได้ซื้อให้สองสามปีให้หลังแล้วละ่ะอันนี้มาพูดเอาความเก่ามาพูดนะอแต่เราถึงยังไงก็ตามเครื่องมือแพทย์เนะี่ยเกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อพี่น้องประชาชนอย่างมากๆทีเดียวเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองจึงไม่มองข้ามเรื่องเครื่องมือแพทย์พอจินนิมีจตุปัจจัยมาหลวงพ่อก็ให้เลยให้แบบ ให้แบบสบายใจเลยให้แบบไม่ได้คิดอะไรเลยให้แบบทุ่มเทสุดๆในจิตใจเพราะเหตุว่าอันนี้คือความปลอดภัยหรือว่าเขี้ยวเล็บของหมอที่จะรักษาพี่น้องประชาชนศรัท ธ, ธาญาติโยมจะได้รับความอบอุ่นเมื่อเข้าไปหาแพทย์หมอน่ยนี่แหละอันนี้คือส่วนหนึ่งนะที่หลวงพ่อได้ประกาศหรือบอกกล่าวให้คณะศรัท ธ, ธาญาติโยมได้ทราบหรือว่าพวกกลุ่มของเราทราบ แต่คมกมอื่นได้ยินขึ้นมาแล้วก็ขวางหูก็ปิดหูไว้ก็แล้วกันนะแต่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทางนั้นพูดให้พวกเราที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเนี่ยรับฟังรับทราบจะว่าเคลียร์ตัวเองก็ว่าได้จะตุปใจที่ได้มานะหลวงพ่อไม่ได้เก็บได้กอบได้กำรรได้งําเอาไว้นะลูกหลานนะช่วยเครื่องมือแพทย์ช่วยสาธารณประโยชน์นะนี่แหละหลวงพ่อก็ได้บอกได้กล่าวใ ห, ให้กับพวกเราคณะทา ย, ยาทโยม สิทธิอนุสิทธิทั้งหลายได้ทราบแต่พูดอีกอย่างหนึ่งถ้าคนถ้าคนไม่ไม่ชอบฟังหรือว่าคนนะครับว่าหลวงพ่ออินขี้อวดพอทําไปแล้วก็ดีดหน่อยก็อวดหน้าอวดหลังทั้งบ้านทั้งเมืองตามไม่จริงไม่ใช่นะพูดให้ฟังตรงๆพูดให้ฟังด้วยความจริงให้ฟังฮะจริงไหมที่หลวงพ่อได้บริจาค มันจริงนะจริงจึงพูดให้ฟังถ้าไม่จริงจะไม่พูดนะสิ่งไหนที่ไม่จริงจะไม่พูดพูดให้ฟังเอาความจริงมาพูดให้ฟังนะใครจะรับความจริงแล้วไม่รับความจริงอันนั้นสุดแท้แต่แต่หลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ะการให้เครื่องมือแพทย์ปิดท้องฐานผ้าเนะ่ะหลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นอืมแต่หลวงพ่อเนี่ยพอใจพอใจสมัครใจที่จะช่วยเหลือชีวิตของพี่น้องประชาชน แต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่ได้คิดนะหลวงพ่อตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรเออขอให้ข่าเนะีหลวงพ่อเองนะี่ยอย่าให้เข้านอนโรงพยาบาลอย่าได้ไปใช้โรงพยาบาลถึงคราวแล้วก็มีอะไรก็ให้เป็นไปได้ง่ายๆให้หมดลมไปง่ายๆ อ, อย่าได้ทนทุกข์ทรมานในการรักษาสุขภาพนะหลวงพ่อคิดอย่างนั้นตนเองนะหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นนะการทํา สัมุลประโยชน์ให้กับพี่น้องชาติบ้านเมืองเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการอยู่ณสถานที่ใดอยู่นอยู่ในกลุ่มใดขอให้ช่วยกันคิดเพื่อพัฒนาประเทศชาติพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนะขอให้ช่วยช่วยเหลือกันพอที่จะช่วยเหลือได้ไม่หนักหนาท่านนักหนาก็อย่าทํา ทำมันหนักถ้าพอที่จะทําได้ก็ช่วช่วยกัน เ, เมื่อช่วยกันแล้วก็ น, นั่นแหะความสงบร่มเย็นเป็นสุข ก, ก็จะเกิดขึ้นในชุมชนกลุ่มของพวกเราเาพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ต้องมีความ อ, าอดทนนะเป็นหลักขนาดพระพุทธเจ้าภาษาวกทางหลายในครั้งพุทธการการที่จะประกาศศาสนาการที่จะประกาศพระธรรมคําสอนออกมาเนี่ย ท่านก็ใช้ความอดทนไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะหลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษาในพระไตรปิฎกอย่างภาษาลิบุตรเนี่ยอัครส า, าวกของพระพุทธเจ้ามือขวาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนทั้งหลายก็บว่าโอ้ภาษาลิบุตรท่านใครไปยุให้ท่านโกรธเนี่ยท่านไม่โกรธใครง่ายๆท่านไม่โกรธใครท่านใจหนักแน่นจริงๆท่านไม่โกรธให้กับใคร ถ้าใครยุให้ภาษาไรบุตรโกรธได้นะฮคนนั้นเนี่ยเก่งมากก็ับใครๆบอกเขาก็ท่ากันเขาคู่พูดกันซุบซิบกันในบรรดาสิทธิบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายตอนนี้พราหมณ์คนหนึ่งได้ยินเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิในใจจริงหรือคนไม่โกรธเนี่มันข้ายังไม่เคยเห็นวะน่นี่นะมันมีนะนคนที่บ้าบ้าบองบองมันมีตอนนี้กภาษาไรบุตรก็ไปบินทาบารท พอไปบิดท่าวาเจเน่ก็พามคนนี้กัดเดินเดินไปก็ย่องย่องไปก็ชี้ไม้ไายตีหลังภาษาริบุตรเลยว่างั้นแต่เออตีอย่างแรงเนีอยตอนนี้ภาษาลิบุตรเขาคงจะขมั่มไปมั้งท่านก็มองดูท่านก็เหลือบตาดูดันก็เฉยท่านก็ไม่ว่าอะไรอีกท่านก็ไม่โกรธเนี่ยตอนนี้ก็พรามคนนั้น่ะผลที่ตีขึ้นว่าโอ้โหท่าน มันท่านไม่โกรธจริงๆทีนเนี่ยมั น, นก็ไฟมันก็เผาหัวใจตัวเองแต่เนี่ยความความเร่าร้อนะเผาหัวใจตัวเองเอกระโดดก็ไปกราบเท้าของพระสารีบุตรโอ้อย่าให้ข้าพระองค์ได้เป็นบาปเป็นกรรมโดยเทอรข้าพรเจ้าทดลองดูว่าได้ยินมาเขาว่าพระคุณเจ้าเนี่ยไม่โกรธให้กับใครก็เลยทดลองดู เ, เพราะฉะนั้นข้าพระองค์ยอมรับแล้วว่าพระพุทธ พระคุณท่านเนี่ยไม่โกรธจริงๆข้าพเจ้าขอโทษขออภัยอย่างมากขออนุโนทนพคุณเจ้าไปรับบิณฑบาตกับผมบ้านผมเดี๋ยวนี้โดยเถิดพระสารีบุตรท่านก็เออเอาได้ท่านก็เดินตามพราม์แล้วก็ น, นําไปก็ได้รับบาปพระสารีบุตรแต่คนข้างนอกนี่เห็นว่าพราหมณ์คนนี้เนี่ยเอาไม้ชี้ไม้ไผ่ตีหลังพระสารีบุตรเท่านั้นแหละโอ้โห เหมือนอะไรตัวีพระคุณเจ้าไม่ได้ทําอะไรทําไม้พราหมณ์คนนี้จึงหยาบโลนถึงขนาดเดเอาเถอะเมื่อภาษาลิบุตรผ่านไปแล้วเนเราจะเอาค้อนทุบหัวมันเลย ไ, ไอ้พวกที่พวกที่มองเห็นนะ่ะะให้ใคล้ายกับว่ากัดเขี้ยวกัดฟันเตรียมพร้อมอลไวแบบนั้นเถอะถ้าภาษาลิบุตรผ่านไปเมื่อไหร่กัลุมเข้าไปเลยแล้วว่างั้นเอแต่ถ้าจะไปตีต่อหน้าท่านภาษาลิบุตรนี่ก็ ก็ไม่กล้าที่จะทํำนะแต่นี้ภาษาริพุทท่านก็ไปรับอาหารพอรับอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านีนพวกนี่ก็ยืนเก้ๆกางๆอยู่แถบนั้นเหมือนกันภาษาริพุทก็ถามเออพวกพวกพว ก, พวกเธอทําอะไรเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยเอยบอกว่าเนี่ยอพรามณคนนี้เนะี่ยทํ <c oughs> าไม่ถูกเนี่ยทําได้ยังไงท่านไม่ได้ทําผิดอะไรเอามาไม้เอามาชีไม้ไายตีหลังท่านเนี่ย มันทําได้ยังไงนี่แหละอพวกผมจะสอนจะสอนพราหมณ์คนนี้แหละจะค้อนทุบหัวหนะ่อยพระสารีบุตรโอ้ยาฮะมันพราหมณ์คนนี้ไปไปทุบตีพวกท่านใช่ไหมไม่ครับทุบตีท่านนะ่ะทุบตีท่านพระสารีบุตรนั่นแหละเอ้ยอันนี้มันเรื่องของเราเขาขอขามาเราแล้วเอเราก็ลุกกระโทษให้เขาแล้วเอ เราเขาก็ยอมผิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกมกันแล้วจบแล้วพวกท่านทั้งหลายโยอมทั้งหลายอย่ามากเกี่ยวข้องไปไปไปออกไปมันเรื่องของเราเนี่ยแทนนันพวกนั้นก็เลยเพ่นแนบบเพราะว่าได้เชื่อฟังภาษาริบุตรใช่ไหมเชื่อฟังพระอาจารย์ของตัวเองพามคนนี้ก็เลยตลอดปลอดภัยกับที่พักนี่แหละจากนั้นเขาก็เคารพรับถือเลื่อมใสตลอดเลยโอ้โหน้ําใจหนักแน่นจริงๆ พระอั克รสาวกเนี่ยนี่แหละจากนั้นก็พระสารีบุตรก็มาถึงวัดป่าเชตะวันมหาวิหารพระสงฆ์ทั้งหลายก็มาพูดกันอีกพวกพระพุชนทั้งหลายพระสารีบุตรทาได้ยังไง เ, เมื่อตัวเองถูกตีอย่างนั้นแล้วมันน่าจะให้พวกโยมทั้งหลายาจัดการกับพามคนนั้นบ้างสอนสอนมันบ้างอันนี้ปล่อยไม่ลงโทษมันเลย ต่อไปนี้แนหะพวกเราไปวินธทพบาส ท, ที่ไหนใครจะตีหลังก็ตีใครจะต่อยก็ต่อยอมันน่าไม่ไม่น่าจะถูกนะพระสงฆ์ทั้งหลายในครัง้งก่อนนักเลงก็มีอีกเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าทราบ เ, เรียกประชุมสงฆ์พวกเ ธ, เธอทั้งหลายพูดเรื่องอะไรนะพระสงฆ์ทั้งหลายกลา่าวทูลเรื่องราวภาษาริบุตรกลา่าวทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ว, ว่าเออ ถ้าเป็นปาฏิแล้วถ้าเป็นบัณฑิตแล้วบัณถ้าเป็นพราหมณ์แล้วนะจ๊ะถ้าเป็นพราหม์พราหมณ์จะไม่ทํารายพราหมณ์บัณฑิตจะไม่ทํารายบัณฑิตปาฏิจะไม่ทํารายปาฏิปาฏิทั้งหลายจะไม่ทํารายปาฏิถ้ามีแต่ภาะชนเท่านั้นแหะที่จะทํารายกันอิจฉากันพยาบาทอาฆาตจองเวรกันคือภาลชนถ้าบัณฑิตนักปาฏิแล้วอยาไม่ ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้เขาเป็นบัณฑิตอคนที่เป็นบัณฑิตเขาจะไม่เบียดเบียนกันถ้าภาแลชนแล้วเขาจะเบียดเบียนเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายไม่ต้องวิตกผ่าและชนแล้วมันทําได้แต่บินบัณฑิตนักป่านแล้วจะทําไม่ได้แต่เพียงแต่คิดอิจฉาเท่านั้นก็นยังไม่ถูกต้องแล้วผิดแล้วมีความมีเฮลิมีความละอายต่อบาปอยู่แล้วอันนี้คือ บันดิตนักปราดแต่พาละชนนั้นเขาคิดได้ทุกอย่างอันนั้นช่วยไม่ได้จะทำยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือท่านยกประเด็นภาษาริบุรเอัครสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยนะที่ผ่านผ่านมาจนถึงปัจจุบันที่เราที่หลวงพ่ออายุถึงเจ็ดสิปีขนาดนี้พอรู้เดียงสาภาวะ ก็ได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในต่างยุคต่างสมัยสรุปแล้วโอ้โหอขนาดพระพุทธในพระพุทธศาสนาของเราก่อนที่จะประกาศพระศาสนาออกมาเผยแผ่ให้พวกเราได้ฟังเคารพนับถือเลื่อมใสขนาดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องล้อยย่อยเหมือนกันเห็นไหมทสิถึงกับพระคราพระค ร, ะ ร, ะ ร, ะระสาวกนะโดน โดนไม้ชี่ไม้ไผ่เขาอีกต่างหากนะแต่นั่นเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนะยังมีอีกหลายเรื่องนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเรื่องทิฏฐิเรื่องเรื่องความเห็นนี่ก็ไม่ใช่ย่อยอีกเหมือนกันในเรื่องหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีนะข่าวนั้นก็ภิกษุณีผู้หญิงก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะภิกษุณีทั้งหลายไม่ลงอุโบสถไม่ร่วมสังฆ ก, กรรม กับนางโคตมีโคตมีคือพระแม่เลี้ยงพระพุทธเจ้ า, าคือพระพุทธเจ้ า, าประสูติได้เจ็ดวันนางสิริมหามายาประสูติได้ประสูติได้เจ็ดวันนางสิริมหามายาก็สวรรค์นครบแม่ของพระพุทธเจ้ า, า พ, พูดง่ายๆแต่นี้ก็น้องสาวแม่ก็มาเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าจุโถธนะแต่นี้ก็เลี้ยงดูพระพุทธเจ้า อย่างธนุถนอมต่อมาพระพุทธเจ้าออกทรงผนวชได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะนั้นนางโคตมีพระแม่เลี้ยงเลยก็เออเขารบนับสื้อยิ่งกว่าลูกตัวเองอีกเ อ, อเมื่อพระพุทธเจ้าบวชเข้ามาแล้วแต่ไหนนางภิกษุณีเนี่ยพิกเห็นแต่ภิกษุบวชแต่ไนนางภิกษุณีนางโคตมีเนี่ยก็อยากบวช อยากบวชเป็นพระเหมือนกับภิกษุมีไหมพระธองค์บอกมีอยู่ในครั้งก่อนแต่ว่าถ้าบวชเข้ามาแล้วจะทําให้ศาสนาของเราบันทอนลงท่านก็ตรัสอย่างนั้นแต่ที่นางโคจีก็ไม่ลดละความพยายามผลในที่สุดก็ขอบวชเดินไปถึงกลุ่มราชสักคไปขอบวชพระองค์ก็อนุญาตให้บวชบวช ด, ด้วยเอา โคตมีถ้าเธอรับคลุธรรม8ประการได้เธอบวชเลยครุธรรม8ประการเกเหมือนกับอาบัตหนักของพรนะนางโคตมีสาธุเมื่อพระองค์อนุญาตรับใดหมดทุกอย่างเหมือนกับรับเพชรนินจินดามาใส่บนศีรษะของข้าพเจ้านางภิกษุีนางโคตมีก็เลยบวช เป็นภิกษุณีเป็นท่านคนแรกนะอพอบวชเสร็จแล้วนะนั่นก็ไม่ไม่นานท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต์เป็นพระพี่แม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าแต่การนั้นต่อต่อมาก็เถ อ, อิดเถิดพอนางพิกษุีนางโคเตมีบวชแล้วนะก็บวชให้ภิกษุนีอื่นต่อมาอีกพอบวชเข้ามาแล้วภิกษุณีอื่ น, ขาา แ, นแข็งข้อเีิดเถิดบอกว่านี่ ภิกษุณีเกศโคตนางโคตมีเนี่ยไม่มีอุปชาอาจารย์บวชมาด้วยด้วยตนเองเอรังเกียจแท้เลยไม่ลงอุโบสถไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยพุ่นน่ะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยแต่ตาม่จริงออกจากใครออกจากนางโคตมีเองนะแต่ลืมลืมกรรพืชของตัวเองเ อ, อแข็งข้อเงมือนกันแท้ทิฏฐินะ่ยไม่ใช่ธรรมดานะมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเอ้ยโคตมีเนี่ย เราเองเป็นคนอนุญาตให้โครุรำแปดประการเราเองให้ทุกอย่างกับโคตมีเออแล้วก็เขาได้ท่านได้สําเร็จเป็นพระรหารแล้วพวกเธอทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่า ก, กระด้างกระเดืองนะควรจะให้ความเคารพในออต้นตระกูลหรือพิชนุนีพวกท่านทั้งหลายนั่นแหละหลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษาแล้วหลวงพ่อโอ้โหอทิติ มานะเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอยู่ในสถานที่ใดให้อยู่ในหลักเหตุผลให้ใช้หลักเหตุผลเป็นเครื่องอยู่ถ้าว่าสิ่งไหนที่มันทุกก็ยอมรับถ้ามันผิดแล้วเออไม่ว่ากันผิดผิดมันก็ต้องหาศึกษาดูว่ามันผิดลาตัวเองคิดว่าผิดอย่างงั้นใช่ไหมไปถามคนอื่นดูสิคนอื่นเขาว่าอย่างไง มีความเห็นอย่างไงถ้าพวกเราฟังด้วยเหตุด้วยผลฟังหลายๆแง่หลายมุมหลายคู่คนแสดงความคิดเห็นนั่นแหละอันนั้นก่อเรายังค่อยยอมยอมรับ เ, เราค่อยฟังฟังเหตุฟังผลห ล, หลายคู่หลายคนไม่ใช่ว่าดันทุลังว่าตัวเองถูกก็ถูกยอยู่ตลอดไม่ใช่นะนี่แหละคนในค้งพุทธการพระในครั้งพุทธการ ความอดทนของภาษาลิบุตรถึงขนาดไหนเพราะฉนั้นขอให้พวกเราไม่ถึงขนาดนั้นก็เถอะนะถึงเขาจะด่าว่ากล่าวนิดๆหน่อยๆเสียดเสียดสีสตามตาเหลือกตาเขียวใส่นเนี่ยเราก็น่าจะอดทนได้พราะเรามาปฏิบัติธรรมน ะ, ะไม่ใช่ว่านินดๆหน่อยๆก็โมโหโกธาให้กันจนภาวนาไม่เป็นไม่ไปเพราะความโกรธ น, นั่นก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะณะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสําหรับพวก เราคณะัทธาญาิโยมลูกหลานที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาเนี่ยหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์บ้างเครื่องาลาของหลวงพ่อบ้างเรื่องพระสารีบุตรพระในครั้งพุทธกาลบ้างเป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราทุกทท่านาตอนน่อไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร